ซึ่งหมายความว่าถ้าหากเราพูดดีทำดีคิดดีทุกครั้งที่ทำกรรมเหล่านี้วิบากที่ดีก็จะต้องเกิดขึ้นในสันดานคือเกิดขึ้นในจิตไร้สำนึกหรือผวังขจิตเราวิบากอย่างนี้ก็เรียกว่าวิบากของกุศลแต่ถ้าในขณะใดเราพูดชั่วทำชั่วคิดชั่ววิบากที่เกิดขึ้นในสันดาน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 หมายถึงพระองค์ทรงมีปรีชาญาณคือทรงมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิบากของกรรมแจมแจ้งแทงตลอดเพียงแต่ตรวจดูพบว่าเขามีนิสัยอย่างไรก็จะมองเห็นภาพแห่งกรรมในอดีตลวงรู้ถึงการกระทาในอดีตและคำว่านิสัยนั้นหมายถึงวิบากที่เข้มข้นคือวิบากที่เกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำๆอยู่ในรูปเดิมเพราะฉะนั้น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 คือลักษณะของจิตใจอย่างเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำกรรมแต่แตกต่างกันตรงที่ว่ากรรมเกิดขึ้นในจิตสํานึกหรือวิถีจิตส่วนวิบาทเกิดขึ้นในจิตไร้สํานึกหรือผวังขจิตถ้าเพียงแต่นึกคิดอย่างเดียวไม่ได้พูดหรือทำอะไรออกมาก็เรียกว่ามโนกรรม แต่ถ้าพูดออกมาด้วยตามความนึกคิดอันนั้นก็เรียกว่าได้ทำวจีกรรมแต่ถ้าหากมีการกระทําทางร่างกายเป็นต้นว่าใช้มือหรือใช้เท้าหรือใช้อวัยวะส่วนใดก็ตามทำไปตามความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็เรียกว่ากายกรรมซึ่งถ้าหากเป็นกรรมที่ดีก็เรียกว่าเป็นกุศ ล, ลกรรมถ้าเป็นกรรมชั่ว ก็เรียกว่าเป็นอกุศลลกรรมเพราะฉะนั้นจงจําง่ายๆว่ากรรมเกิดขึ้นในจิตสํานึกหรือทําด้วยจิตสํานึกคือวิถีจิตกล่าวคือในขณะที่เราทํากรรมนั้นเรารู้สึกตัวว่าเรากําลังพูดกําลังทําหรือกําลังนึกคิดอย่างไรส่วนวิบากก็คือความรู้สึกนึกคิดแบบเดียวกันกันกบที่เกิดขึ้นในจิตสํานึก แต่คราวนี้มันเกิดเป็นเชื้อฝังอยู่ในจิตไร้สำนึกหรือพวังขจิตซึ่งต่อมาภายหลังความรู้สึกนึกคิดที่มีในจิตไร้สำนึกนี่แหละที่บังคับให้ต้องพูดให้ต้องทำหรือให้ต้องคิดมันอย่างที่เคยเป็นมาแล้วในเมื่อได้สิ่งแวดล้อมอย่างเดียวกันกับเมื่อก่อนตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีใครมาด่าเราด้วยถ้ยอยคาหยาบคาย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 โทษที่ได้รับนี้ไม่เรียกว่าวิบากวิบากทำหน้าที่เพียงแค่บังคับให้คนคนนั้นต้องพูดต้องทำหรือต้องคิดเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาแล้วส่วนผลที่เกิดขึ้นจากการไปรดา่าหรือไปประชุสร้ายเขานั้นเรียกว่าผลของกรรมไม่ได้เรียกว่าวิบากเรื่องนี้โปรดทำความเข้าใจให้ดีคำว่าวิบากกับคำว่าผล มีความหมายแตกต่างกันเพื่อให้จำง่ายก็ขอได้โปรดจำอย่างนี้เมื่อพูดถึงวิบากจะต้องหมายถึงผลของการกระทำที่เกิดขึ้นในสันดานเท่านั้นส่วนผลที่แสดงออกมาในภายนอกคนอื่นรู้เห็นได้อันนี้เรียกว่าผลหรือเรียกว่าอานิสง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 ที่จะทำให้รู้จักวิบาสของคนคนนั้นและถ้าหากเราได้มีโอกาสสอนธรรมะให้แก่เขาด้วยอันนี้ก็จะช่วยทำให้รู้จักวิบาสของผู้นั้นได้ดียิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากเราทะลึกชาติของเขาไม่ได้ไม่รู้จักกรรมในอดีตของเขาก็เป็นการยากมากที่จะเข้าใจเรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้ง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 เขาต้องเป็นคนชอบโคหกเช่นนี้เสมอนิสัยอันนี้จึงได้ติดตัวมาถ้าหากเราเห็นคนไหนนั่งสมาธิได้เก่งเข้าสมาธิได้ง่ายเราก็พอจะอยังรู้ได้ว่าเขาต้องเคยฝึกฝนในทางนี้มามากแล้วในชาติก่อนๆเพราะฉะนั้นเมื่อเอามาฝึกสมาธกิก็จะสามารถฝึกได้ง่าย